เมื่อว <can the peso again> ิตกวิจารณ์เกิดขึ้นในดวงจิตเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาวิตกเป็นองค์สมาธิเอกคัตาเป็นองค์สมาธิวิจารณ์เป็นองค์ปัญญาเมื่อสมาธิปัญญาเกิดขึ้นจิตนิ่งสงบก็เกิดวิชาขึ้นถ้าวิจารณ์มากเกินไปความสงบมันก็ดับถ้าสงบเกินไปความคิดมันก็ดับ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 มันอยู่ด้วยกันทีน่นี้นี่มันเป็นกุศโลบายเป็นปัญญาในขั้นสมาธิมันติดกันไปเรื่อยอย่างนี้ขั้นทานก็อยู่ในโยนิสโสมนาสีการขั้นศีลก็อยู่ในโยนิสโสมนาสีการทำสมาธิไม่ขัดมันเป็นตัววิตกวิจาร์แก่ขึ้นไปอีกเมื่อเรามีวิตกวิจาร์กากับดวงจิตนึกเท่าไหร่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 เอาไว้ในปัจจุบันเอาละสิทีนี้ตาขี้ทุกยายขี้ทุกขหาบกันไปบางทีแหลบอนาตตามันหนักข้างหน้าหกเขมรเทนเทหัวปากดินบางทีอนิจจังมันหนักข้างหลังไงยท้องทุกขังทวงหนักคลุกคลักตกปลักจมดินกลายเป็นพระเทวทัตแผ่นดินสูงนี่จึงเรียกว่าขี้ทุก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 พาราฮาเวปัญจากขั้นธาหาบกันไปเถิดขันห้ามันเป็นของหนักภาราฮาโรจะปุกกะโลบุคคลพากันหาบไปอย่างนี้ก็มีเป็นภาระอันหนักภาราดานังทุกขั้งโลเกหาบไปเถิดรอบทิศเรามัวเป็นทุกข์ในโลกนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนว่าผู้ไม่มีปัญญา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 ความเก่งก็จะเกิดจากสุตตฉลาดจากการฟังฉลาดจากการพูดจินตะฉลาดในการคิดการไตรตรองแต่คนเลิกคิดเลิกนึกไม่ต้องคิดต้องตองแต่ฉลาดนั้นเป็นสิ่งอัจรรย ม, มากเป็นสิ่งทวนกระแสของโลกธรรมดาโลกต้องศึกษาต้องเรียนต้องเขียนต้องอ่านต้องคิดต้องนึกจึงจะเกิดความฉลาด